เทศนากันที่สเรื่องชีวิตโอปปปาติกะของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธ า, ารย์โตแสดงเมื่อวันที่30รรกรกฎาคมพุทธศักราช 2,507 ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะได้มาพูดกับท่านทั้งหลายข้าเคยคิดว่าในช่วระยะเข้าพรรษานี้ข้าจะไม่เข้าทรงใครเลยแต่ว่าความจำเป็นบังคับเมื่อคราวที่แล้วนี้ข้าพูดกับท่านทั้งหลายยังไม่จบและอีกอย่างหนึ่งชั่วระยะ 3-5 ถึงปีท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินร่างทรงที่ข้าทรงนี้เข้าทรงอีกแล้วไม่ว่าใครทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น จึงเป็นการยากที่จะมาติดต่อกับท่านได้ถ้าไม่ให้เวลาถึงสปีหรือ5ปีแล้วร่างทรงนี้จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้ท่านจงจำไว้ให้ดีว่าคนที่จะเป็นร่างทรงได้สมบูรณ์นั้นก็แต่เฉพาะคนที่ได้มโนโมยิทธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทรงทั่วๆั่วไปที่ท่านเคยเห็นมีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งนั้นคนทรงต้องการที่จะหลอกลวง มีเจตนาที่จะหลอกลวงอันที่สองเขาไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่ว่าจิตใต้สานึกของเขาแสดงออกมาท่านคงจะสงสัยว่าแล้วทำไมถึงมีการแม่นยำเล่าข้อเนี้ยไม่ยากเลยท่านคงทราบดีแล้วว่าอำนาจจิตนั้นเป็นอำนาจที่อยู่เหนือสิ่งใดๆและสามารถที่จะล่วงรู้เหตุการ์ได้ ประการที่สคนทรงนั้นหลับในสมาธิได้เช่นเดียวกับร่างทรงที่ข้าใช้นี้แต่ว่าถึงแม้จะหลับในสมาธิได้การทรงนั้นจะอยู่ได้เพียงอย่างมากหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าถึงแม้จะดับจิตของตัวเองแล้วผวังขจิตก็ยังมิได้ดับไม่มีจิตของใครที่จะยอมให้มีจิตดวงอื่นเข้ามาซ้อนอยู่ได้เป็นเวลานานฉะนั้นคนทรงที่สมบูรณ์คือคนที่ได้มโนโมยิธิเท่านั้น เมื่อจะมีโอปปาติกะตนใดมาทรงเจ้าของตัวจะต้องออกไปเป็นโอปปาติกะชั่วขณะหนึ ja ่งฉะนั้นการเข้าทรงจึงเป็นการที่เสียสมัทภาพเมื่อสองครั้งที่แล้วที่ข้าได้พูดถึงเรื่องของโลกโอปปาติกะนั้นครั้งที่หนึ่งสรุปเป็นใจความว่าชีวิตของโอปปาติกะ เป็นชีวิตแห่งความฝันชีวิตแห่งความรู้สึกนึกคิดครั้งที่สองได้พูดถึงว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นแบ่งเขตกันอย่างแจ่มแจ้งและรูปร่างของโอปปาติกะนั้นจะเป็นไปอีกรูปหนึ่งนอกเสียจากว่าเขาจะมาติดต่อกับคนที่เป็นมนุษย์จึงจะมีรูปร่างเหมือนเดิม ครั้งนี้ข้าจะพูดขยายความต่อไปท่านอย่าลืมว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นเองด้วยอำนาจของตัวเองหาได้มีการอาศัยพ่อแม่ไม่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับความทุกข์ทรมานในโลกของโอปปาติกะนั้นจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลยไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติที่น้องนอกจากว่า อาจจะมีผู้มีใจบุญมาเห็นแล้วเกิดความสงสารและให้คำแนะนำและจงจำไว้อีกให้แม่นๆว่าอุปาทานของโอปปาติกะนั้นเป็นอุปาทานที่หนาแน่นมากมิอาจที่จะยอมรับฟังเหตุผลใดๆทั้งนั้นเพราะว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีสมองชีวิตที่เป็นมนุษย์ เมื่อเราได้รับการแนะนำจากใครก็ตามเราได้ใช้มันสมองเป็นเครื่องช่วยในอันที่จะคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้และเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของเราได้แต่เทาว่าชีวิตของโอปปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีมันสมองเพราะฉะนั้นท่านจงคิดดูให้ดีว่าท่านจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของท่านได้ยากขนาดไหน ท่านทั้งหลายจะทำความดีได้ก็ต่อเมื่อเป็นมนุษย์เท่านั้นในโลกของโอปปาติกะนั้นทำได้ยากมากเพราะว่านิสัยสันดานที่ติดไปจากโลกนี้เป็นเครื่องกีดขวางเมื่อท่านอยู่ในโลกที่เป็นมนุษย์ท่านได้ทำแต่กรรมชั่วไว้เมื่อท่านไปอยู่ในโลกของโอปปาติกะชีวิตของท่านจะต่ำแต่ถ้าว่าท่านก็อาจจะไม่ทุกข์ทรมานก็ได้นอกจากบุคคลอื่น จะมามองเห็นว่าท่านทรมานแต่ตัวท่านเองจะไม่รู้สึกว่าทรมานอะไรเช่นเดียวกับชีวิตในโลกนี้ซึ่งเมื่อเรามองดูสัตว์เดรัจฉานเรารู้สึกว่าทุกข์มากและไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้เลยแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นมันน่าจะสํานึกได้ว่าสภาพชีวิตของมันนั้นทรมานและจะต้องทําจิตใจให้สูงขึ้นเสมอแต่ไม่มีการสํานึกเช่นเดียวกับในโลกของโอปปาติกะ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 ชีวิตของโอปปาติกะที่ทรมานนั้นท่านจงเปรียบเทียบเช่นนี้ว่าในขณะที่ท่านมีความต้องการสิ่งต่างๆอย่างมากมายแต่ท้าว่าไม่ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาท่านทรมานท่านทุกข์ในโลกของโอปปาติกะนั้นยิ่งกว่านั้นหลายเท่าชีวิตของโอปปปาติกะที่มีความทรมานนั้นมีสภาพเช่นเดียวกันกันกบคนบ้าในโลกนี้ซึ่งต้องส่งโรงพยาบาลโรคจิต และอีกอย่างหนึ่งท่านจงจำไว้ว่าไม่มีการตายที่แท้จริงการตายจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกของโอปปาติกะนั้นเป็นเพียงการสับเปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองเมื่อท่านทิ้งกายที่เป็นวัตถุสสารนี้ไปแล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่ได้ตายเลยท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าไม่อาจจะให้รายละเอียดแก่ท่านได้มากนะัก การใช้คําพูดพูดได้ไม่เหมือนของจริงขอให้ท่านจงนึกวาดภาพเองถ้าจะซักถามสงสัยสิ่งใดค่อยถามทีหลังร่างทรงเนี้ยแย่เต็มทีแล้วอย่าลืมว่าถ้าร่างทรงที่ข้าทรงอยู่นี้ไม่ตายจากโลกมนุษย์ไปเป็นโอปปาติกะเสียก่อนหรือข้าไม่จุติเสียก่อนเราคงจะได้พบกันอีก จบเทศนากันที่สี่อันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธารย์โตท่านออกแล้วหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าก็ได้เข้าทรงต่อและได้บันทึกลงในเทปเช่นเดียวกันซึ่งมีข้อความดังนี้